ขอความเจริญในธรรมทุกท่านผู้ฟังทั้งหลายฉังทำจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอาหุสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการพิจารณาอากุศลและกุศลธรรมเป็นประธรมาเทศนาที่ค่อนข้างหนักนะเนเพราะว่าเป็นการสรุปรวมกลุ่มของสมุทัยสัตว์ไว้ในที่เดียวกัน ในขณะเดียวกันก็รวมกลุ่มของูมกมักกะสัดไว้ก็ทำ ใ, ให้เกี่ยวเนื่องอยู่กับความจำแล้วเราก็จะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าองค์ธรรมเนี่ยจะซ้ำๆๆๆๆๆ ๆ, ๆ, ๆยันที่เคยบอกว่าแม่สีไม่มีอยู่สามสีจะเป็นสีอะไรอีกกี่สีก็ไม่รู้มันก็สืบเนื่องมาจากแม่สี ันกิเลส ข, ของมนุษย์เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากโลกกดหลงโลกกดหลงเองก็มาจากวิชาิาแต่จริงสัตสัตขานสาขาเท่าไร่ก็ไม่ว่าเวลาท่านพูดบางชีเนี่พูดถึงกิเลสพันห้าตนาร้อยแปดก็เคยเจอแต่เลขคูณเนี่คือท่านคูณเอาไว้แล้วก็ไม่ติดใจที่จะไปศึกษาในรายละเอียดอะไรเพราะว่า มันเป็นประเด็นปลีก ย, ย่อยคือตัวหลักให้เราจับที่โลกดหลวงได้ับที่อวิชาได้ยังื่นจะถูกทำลายตามไปเองเรียกชื่ อ, อยังไงมันก็เรื่องสมมติเ อ, อาเท่านั้นมีข้อความว่าคราหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวัน แล้วก็ทรงพิจารณาอากุศลบาปรธรรมอันเป็นเป็นนันมากที่พระองค์ทรงละได้แล้กุศลลธรรมเป็นนันมากที่ได้ถึงความเจริญสมบูรณ์พอถึงจุดนั้นก็ทรงพิจารณาแล้วก็เปล่งพระพุทธอุทานอุทานว่าสิ่งทั้งปวงได้มีแล้วในการก่อนไม่มีแล้วในการนั้น สิ่งทั้งปวงไม่มีแล้วในการก่อนได้มีแล้วในการนั้นไม่มีแล้วจักไม่มีและย่อมไม่มีในบัดนี้คือประเด็นของพุทธภาสิตเนี่ยจะจับประเด็นให้ได้ว่าเป็นการปลดจากพระภัยของพระองค์จะหมายความมาเป็นการมองย้อนต้นไปสู่สังสารวัตรอันยาวนาน ในทั้งสายวัฏอันยาวนานที่ทําให้พระองค์หมุนวนอยู่ในตัวหลักใหญ่ <c oughs> ก็คือกิเลสกรรมกิเลสกรรมวิบากกันพง่ายกิเลสกรรมวิบากมันก็หมุนวนเพราะฉะนั้นสิ่งนีมนก็มีอยู่ในดิจการก็มีอยู่แต่ว่าบางทีก็ไม่มีแล้วในการนั้นบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีในการนั้นจะมีสิ่งทั้งปวงไม่มีแล้วในการก่อน หมายความอะไรหมายความามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนั้นไม่มีแล้วในการก่อนได้มีแล้วในการนั้นไม่มีแล้วจักไม่มีอะไรก็ตามที่ไม่มีแล้วจักไม่มีคือหมายความกิเลสที่ดับแล้วเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นมาได้อีกอยาเรียกชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้ เรื่ออาสวะเหหิจิตานี้เป็นโจิงสูติจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมันเือปรอดทานและก็ย่อมไม่มีในแบบ น, นี้หมาความพอพระองค์ตรัสรูษษ้เสร็จเนี่ยตรวจ ด, ดูคล้ายๆกับอะไรอะ่ะแล้ถ้ากรตรวจสอบคล้ายๆประเมินผลของการทำงานอะไรต่างๆเนี่ย เพราะอย่าลืมว่ารู้เจ้าทรงพิจารณาปฏิยาการคือปฏิจจสมบาทสายเกิดมันเคยเกิดแล้วนะแต่ว่ามันได้ดับไปแล้วทีนี้สายดับแต่มันยังไม่เคยเกิดได้เกิดขึ้นแล้วก็ดำลงอยู่ตลอด ข้อความก็มีเพียงแค่นี้พระตักระตาจารย์เดีย๋ยทีนี้ท่านอธิบายใหญ่เรื่องใหญ่ต้อมาดูที่พระตักระตาจารย์ก็ดีนะคือบางครั้งเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินนลยคนระับองค์ทำบางอย่างเนี่ยไม่เคยได้ยินท่านก็ขึ้นต้นว่าอตโนโอเนเกเปาปาเกอาุสเลธรรมเเมหิเนความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณากิเลสพันห้าอนเป็นไปในการตลอดการเป็นไปตลอดการหาเบื้งต้นไม่ได้ในสัตดานของพระองค์เนี่ยมีโลภโทสะโมหะวิปริตจิตที่ผิดปกติเนี่แล้วก็มนัสิการมนัสิการที่คิดผิดนะความมาไิการที่ผิด คือการคิดผิดก็แนวพวกมิชฉาทิจิตนะความไม่ละอายต่อบาปความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปความโกรธการผูกโกรธการดุมินการแข่งดีการหิศาคือฤิ์สยามนะคำเหล่านี้ตลัปกติแล้วไม่ค่อยแพร่หลายแต่จะมีอยู่ในพวกอภิธรรมบางอย่างเนีถ้าท่านสารชนได้อ่าน หนังสือขนาดนกโกวาดขนาดธรรมิภาคไปเจษสองเนี่ยเราก็จะเจอเจอมากแต่ว่าเจอไม่หมดแต่ถ้ากองกลุ่มแล้วเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่พูดถึงก็บอกบาลีไปด้วยดีกว่าปรเดี๋ยวจะอาจะจะยุ่งยากไปคือไม่นึกจะนึกภาพเขาไม่ออกบอกว่า ให้หิริกะนี่หิริกะคือความไม่ละอายต่อบาปอนุตตปะนี่คือความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปก็ตรง น, นข้าไปหิริโอตะปะโกทะนี่คือความโกรธอุปนาหะคือปลูกโกรธเราเห็นว่าความโกรธที่เกิดนั่นแหละมันไม่หยุดมันก็กลายเป็นการผูกไว้นมัคคะคือการดูหมิน่นภราสะคือการตีเสมอบุคคลอืน่น แล้วก็อิจฉาแปลว่าความริษยาตรงนี้คําตรงนี้ออกเสียงยากคือถ้าเป็นความปรารถนาเนี่ยท่านเรียกว่าอิจฉาอิจฉานะครับแปลว่าปรารถนาคือเป็นอาการของโลภะแล้วอิจฉาที่แปลว่าริษยาเนี่ยตามปกติคนไทยเราไม่เคยเรียกเพออกเสียงยากอิจฉาสระอิสรเสือสองตัวและสระอา อวอิจสาแปลว่าริษยาริษยาเป็นอาการของกิเลสผสมนะท่านเพื่อฟังลองดูที่จิตตัวเองจะได้ว่าเราก็เคยริษยากันทุกคน น, นะะมันมีอาการของโมหะนี่เป็นรากแล้วก็มีโทสะนี่ปรากฏอยูก่อนเพราะฉนั้นคนที่เราริษยาจึงมักจะเราไม่ชอบเขาอยู่ก่อน ในตัวคนเนี่เราไม่ชอบแต่ว่าในสิ่งที่เขาได้เนี่ยเราอยากได้เราเกิดโลกพะเมื่อเราไม่ได้เราก็ริษยาในคนที่ได้บางครั้งบางคราวแม้คนที่เราเขาได้เนี่ยเรารักใครชอบพอรกันนะเช่นว่าพี่น้องแย่งมรดกกันเนหะ็นไหะพี่น้องแย่งมรดกกันเนะี่ยบางทีพ่อแบ่งมรดกให้ไม่เท่ากันคนไปได้น้อยก็รู้สึกริษยาในที่ ก็แสดงว่าไม่ชอบที่พี่ได้เป็นความไม่ชอบที่เกิดขึ้นจากความโลภตามปกติไม่ชอบอยู่แต่พอดีก็เกิดโลภอยากได้ขึ้นมาเพราะงั้นพี่กับน้องก็ฆ่ากันได้ฆ่ากันได้เราก็มีข่าวอะไรยินได้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วก็มัจริยะคือความจะหนี อวิชาคือความไม่รู้ที่จริงก็เป็นรากเง่านะแต่ว่าเอามาใส่ไปตรงนี้ด้วยอกกศลมูลสามก็คือโลภะโทสะโมหะทุติริสามก็คือฆ่าสัตว์ ร, รักทรัพย์ประพฤติในกาลนะสังเยตสามก็โลภะโทสะโมหะอีกนะฮะแล้วมณทินสามก็คือโลภะโทสะโมหะวิสมสัญญาณนะสัญญาที่ไม่สม่ำเสมอ ก, กันกับกฎหมายที่ไม่สัญไม่สม่ำเสมอ มิตกสามคือกา ร, รมิตกพยาบาทมิตรปีองสาวิตกปัปปัญจะสามวัปปัญจะสามนี่ก็คือตัณหามานะทิจฉ์ 4. และ ว, วิปลาสสี่ก็คือการมองเห็นสิ่งตั้งหลายคลาดเคลื่อนเป็นอาการของโมหะมองสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามมองสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองสิ่งไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนอาสวาสสี คืออันนี้ก็คืออาตสวาสีอย่างที่เคยบอกว่าเขาเรียกโอคะก็มีโยคะก็มีงันทะก็มีก็ก็มีกามาสวะมีภวาสวะมีทิพถาสวะมีาาวิชาสวาจะนับอย่างเนี้ยเขจะก็จะเรียงอย่างนี้ทีนี้โอค่าสีก็คือการ น, นะฮะโยคะาสีก็คือการกันทะกันทะสีก็คือการคือการพบที่เดียววิชาด้วยกันเรียกชื่อได้หลายอย่างเป็นเรียกการตามอาการ ทีน่นายกทำนาเนี่ยเราก็เรียกว่าชาวนานายกไปทำสวนก็เรียกว่าชาวสวนนายกไปตกเบ็ดก็เรียกคนตกเบ็ดก็นายกนั่นแหละทีนี้ที่เรียกว่าอาสวะแปลว่ามันมหมักหมมอยูย่ในจิตที่เรียกว่าโอฆแปลว่าพัดผันจิตให้แล่นไปตามอำนาจของมันแล้วก็ที่เรียกว่าโยคะแปลว่าขังหรือประกอบสัตว์ว่าขังเนี่ยปุก ง, ง่ายขังก็ดู ง, ง่ย แล้วกันทะไปบร้อยรัดคือผูกมัดเอาไว้ผูกมัดจิตใจต้องบุคคลเอาไว้อากติทสี่ก็คือลำเอียงเพราะรักใคร่กันลำเอียงเพราะไม่ชอบกันลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงพอเป็นอาการกิเลสนะฮะลำเอียงเพราะรักใคร่กันก็คือโลภะลำเอียงเพราะไม่ชอบกันก็คือโทสะลำเอียงเพราะหลงก็คือโมหะลำเอียงเพราะกลัวเนี่ยอาจจะเกิดด้วยโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้แล้วแต่แล้วก็ การหุกปาทานอุปาทานที่เกิดมาจากตัญหาสี่การมุปาทานที่ถุกปาทานสิรพัตุปาทานอัตวาทุกปาทานการมุปาทานก็ถือมั่นเรื่มหน้าความใคร่นะที่ถูกปาทานก็ถือมั่นเรื่มหน้าคนามคิดชีคือความคิดเห็นอัตวาทุกปาทานก็ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็สิรพัตุปาทานก็ถือขรังถือถักสิทธ์ถือ วิริย์ไรแต่ไรต่างๆเนี่ยถึงงมงายกันอยู่เยอะเนี่ยแล้วก็เจโตคีละเจโตคีละแปลว่าตะปูที่ตรึงจิตมนุษย์นะเจโตเจโตคีละก็คือคือศรัทธานะศรัทธามันง่อนแงนคอนแคลนศรัทธาเชื่อไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิก ข, ขาแล้วก็เป็นคนโกรธง่าย หมายความว่าพรุ่งนี้ที่จริงถ้าเกิดสมมติว่าศรัทธาเขาเกิดในพันธะใดได้เอาจับที่พุทธเจ้าไว้ได้ก่อนนล้วอื่ก็จะลดเองเจตโตขีละจึงเป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจของบุคคลเอาไว้พรกงนี้เจโตวินิพันธ ะ, ะสิ่งที่ผูกมัดจิตใจคนที่มีอะไรพวกคามพวกรูป พวกกามพวกวัตถุอะไรหลายอย่า ง, างออมั น, นปนปนอยู่แถนิร์เนี่นยนะฮะนอยู่แถ น, นิรคือบางอย่างอย่างที่บอกว่าก็ลืมไปนิวรณ์ห้าก็คือการมชันทะจิตกำหนัดด้วยอำนาของความใข้พยาบาทใจที่พยาบาทที่นมิทะง่วงเหัวนอนแล้วก็พุทธจักกูดจัก็คือฟุ้งสัน้นแล้วก็วิจีปิสาก็คือราคาญพระพินัทะ อาพินันธะนะความเพลิดเพลินชื่นชมยินดียิ่งนะฮะมันก็ไม่อื่นไปจากเนี้ยใจที่รู้สึกเพลิดเพลินชื่นช่นชมยินดีในรวกสิ่งดีนรวยผลพะนะห้าอย่างแล้วก็ยุวาทมูลคือโกธโนความโกรธอุปนาฮีการขู่โกรธมักขีการดูมินพราศีการแข็งดี ฮิซุกิริจยาแล้วก็มัชรีความปรนีตัณหากายะสามนะฮะตัณหาตัณหาในกรูปของตัณหาหกก็คือก็คือรูปตัณหาสัทธตัณหากันธตัณหารลสตัณหาปุถะตัฒหาและอนุสัยเจ็ดนะฮะโนสายเจ็ดก็พวกเนี้ยพวกพวกกามพวกวิจิกิจสาพวกทิชิก็มีทั้งหมดก็เจดข้อด้วยกัน ผู้เดียวกับผู้สังโยชน์ผู้เดียวผู้สังโยชน์สังโยชน์ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มแล้วก็มิจฉาต่าแปดมิจฉาต่า 8. แปดท่านก็เริ่มที่มิจฉาทิฐิคือหมายความอาริยมรตเนี่ยเดี๋ยวพูดในด้านมิจฉามรตําปกติเราจะพบว่ามิจฉาตามิสิแต่ว่าตอนนี้ท่านพูดแปดก็คือความเห็นผิดความคิดผิดการวาจาผิดการประการ ยังประกอบเราอาจจะประพฤติผิดก็ได้นะพูดรเราประพฤติผิดก็ได้เขเรียกทาการงานผิดเลี้ยงชีพผิดแล้วก็พยางผิดระลึกผิดตั้งจิตไว้มั่นผิดเป็นนิจหาสมาธิตะหามูลกะเก้านะฮะตะนะมูลกะเก้าไอ้ น, นี้ก็ไปในพวกอารมณ์ทั้งเก้า ปัญหานี่มันอะไรละเวทนาแล้วเกิดตัญหาต้งฟังนึกก่อนเวทนาแล้วไม่เกิดปัญหาทีนี้ตัญหานี่มีสามพอสามทำไมจึงเป็นเก้าล่ะตัญหาเขาก็เกิดในตัญหามูลกะคือรากเหง้าของตัญหารากรากเหง้าของตัญหาเก้าประการด้วยกันก็ หมายความว่าเขาติดอยู่ในเวทนาแต่เ้าถวายเวทนาเวทนาเป็นสามนะสุขทุกข์อทุกขมาสุขแล้วก็เป็นอดีต3าเป็น 3, ป น, านาคาคดสามปฏิบัน3สามดแล้วก็เป็น9กอกุศลก็บทสิบก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การกระพูดผิดในกาลการพูดเท้การพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการโลภอยากได้ของการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล การโลภอยากได้ของบุคคลอื่นการพยาบาทรองร้ายบุคคลอื่นการเห็นผิดจากตานองของธรรมทิฏฐโยกสิบสองนี่นับไม่ไหวนะฮะอยู่ในอยู่ในพรทมชาลสูตรก็นับมัก็ยากนะเพราะว่าไม่เป็นศัพท์เทคนิคเยอะเวลาเราสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยผูดเล่นเชดหลายเป็นเดือนนะฮะกว่าจะจบนี่เป็นเดือนเลย กรมประชาะสูตรยิงวิจิตพิสดานมากยากมากยังฝันนะยังฝันว่าจะยอ่อพระไตรปิฎกเป็นชุดๆเราทำไว้ตอนนี้ก็สี่เล่มแล้วก็ชงักเพราะว่าตอนนั้นคนเ็าให้ทุนคนก็ให้ทุ น, น, ก, ทนก็รับเป็นเจ้าภาพกันสีเล่มเราก็ทาได้แต่ว่าเรื่องใหญ่ถ้าไปย่อในเรื่องใหญ่ คือมันเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็มีแล้วในสุตรนี้มีแล้วในสุตรนี้แล้วก็เพียงแต่บอกชื่อชื่อตรงเนี้ยก็ดูในเอกสาที่ท่านว่าแล้วท่านบอกแต่ชื่อท่านไม่บอกไม่บอกรายละเอียดไว้ใหนะ้บอกจํานวนไว้ให้ลำหาวิปริตร้อยแปดผลงานท่านก็เป็นต้นนะยังไม่ครบยังไม่ครบพันห้าเลยท่านก็เป็นต้นเหมือนกัน คือตัณหา108ร้อยแปดเนี่ยมันเป็นการมองตัณหาสามเนี่ยตัณหามันจะเกิดในอารมณ์ในอารมณ์หกนะฮะคือรูปตัณหาจะธาตัณหากันธาตัหาและธาตุตัณหาพุทภัณตัณหาทีนี้มันเกิดในอดีตเกิดในปัจจุบันเกิดในนาคกกหกสามยี่หกหกสามี่สตกลงว่าเป็นกามตัณหาสามยี่หกเป็นปวตตัณหาสามี่สหกเป็นวิปวัตัณหาสามี่หก ในการทั้งสาเนี่ยรวมแล้วก็เป็นชนะร้อยแปดหรือถ้าคนไม่มีพื้นฐานจำแล้วก็จำไม่ไหวอะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวมากเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าประเภทก็ดีทำอันชั่วช้าลามุกเป็นเนตที่ชื่อว่าเป็นอกุศลเพราะว่าเพราะอาตรว่าเกิดแต่ความไม่ฉลาด แม้ที่เกิดร่วมกับกิเลสร้อยแปดนั้นก็ดีพันห้า 1, นะพันห้านั้นก็ดีที่พระองค์ทรงละแล้วคือตัดขาดแล้วด้วยอริมัชย์ยี่องศาประการเห็นไหมว่าอริมัชรสรุปแล้วก็คือไรสิขาไรสิขาสรุปแล้วก็คือไม่ใช่คืออริยมัชนะฮะอริมัชนะสรุปแล้วคือไรสิกขาไรศิข า, ขานี่โลก เราเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาศีลก็แก่ผูบกลุ่มโลคแล้วก็สมาธิก็แก่แก้กลุ่มโกรธโมหะก็แก้กลุ่มหลงก็เอาจับหลักสามพอแล้วจับว่ากุศลสามากุศลสามตันี้ประกบกันก็แก้ซึ่งกันและกันแล้วก็หรือบางทีทานศีลภาวนาลองฟังนึกถึงฐานศีลโานาแล้วก็อันเดียวกันเป็นคู่ปรับกโลคโกรธหลง หมายความมาท่าทานศีลภาวนาเขาผนึกเป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยมันก็ทำลายกิเลสได้หมดเรียกชื่ออย่างไงนับจำนวนเป็นอนเนกในอย่างไงก็ตามและผลบุญท้ายมันก็หมดไปทีนี้อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเป็นการพูดถึงกุศลและธรรมตัวเนี้คยคือทำทำให้คิดฝันมันนานและทีนอนกันคือตอนตอนนั้นมันไปเจอที่เขา รวบรวมไว้ในหนังสือคบธรรมของเป็นพันนายพันทหารนะฮะพันพันเอกแต่พอจะมาตอนนี้ไม่มีเราให้คนไปถามหาในตลาดก็ก็ปรากฏว่ายังไม่มีชื่อว่าทาวิทหรืออะไรเรื่องอึ่นๆชื่อไปเป็นตลาดนะฮะฉลาดคือขยันนะไม่เออตลาดไม่ตลาดก็ขยันเลยรวบรวม ออธรรมะเหล่านี้เป็นการจำแนกข้อความเดียวกันนะว่าด้แก่พระองค์ทรงพิจารณากุศลคือธรรมที่หาโทษไม่ได้ของพระองค์เป็น อ, น เ, อเนกเหตยที่อย่างนี้คือนะก็นี่ก็นับไม่หมดอีกกันแหละคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนะทัศนะตรงนี้เขาเรียกว่าสารธรรมห้านะครับ เกีวกัสารธรรมห้าที่เป็นธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงมากที่สุดในที่สุดท้ายเขาสรุปที่สารธรรมห้าทีนี้สารธรรมเนี่ยจริงๆก็ต้องจับประเด็นในได้สารธรรมคือมรรค ก, กิโรธนะวันสามข้อแรกก็คือมรรคสองข้อหลังก็คือกิโรธเป็นสมาวิมุติแล้วก็วิมุตติยาณทัศนะนี่มันติด ก, กันเลยอะ่ะตรงนี้เป็นขณะเป็นขณะคือติบ ก, กันเลย คล้ายๆกันอะไรจับน้ําแข็งแล้วก็เย็นเลยจับไฟแล้วก็ร้อนเลยอะไปจิ้เกลือเข้ามาแล้วเค็มเลยทันทีทันใดนี่ก็เป็นเป็นสารธรรมห้าก็โดยภาคปฏิบัติแล้วก็พอแล้วนะสามข้อนี่สีสมาติปัญญาเนี่ยอยู่ในศีสมาติปัญญาก็แล้วกันไม่ต้องไปนับจํานวนอะแต่ว่าทำให้เราเห็นถึงความหลากหลายความละเอียดละไมความลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ทรง เอานักบวชนอกศาสนาบอกพุทธย้าเหมือนกับคนที่ไปนับไปแยกน้ําที่มหาสมุทรได้นะว่าน้ําเหล่าเนี้มาจากแม่น้ําชื่ออะไรแต่ก่อนมามาจากแม่น้ำชื่ออะไรก็เป็นนั่งอยู่ที่ทางแยกคล้ายๆกับไปไปอยู่ที่ที่ปากน้ําโพนะฮะพิงวังยมนั่นเนี่ยแล้วก็สรงแยกได้ตอนนี้น้ํามาจากแม่น้าปิกแม่น้ําบางแม่น้ํายมแม่น้ํานั่น พวกนี้เป็นเป็นเรื่องความเข้มข้นเป็นลักษณะเป็นอาการนะเป็นอาการของกิเลสก็ไม่มีอะไร โ, โรคกวดหลงก็จับประเด็นนั้นได้ว่าโรคกวดหลงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรคือสธีธรรมทิพปัญญาเพียงแต่ว่าเวลานาเสนอนี่มันเป็นอนเนกกระปริยายคือนิย่าต่างๆมันเป็นการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามบุญทิาวะของผู้ฟังเขาเรียกอนุโลมเทศนาคนนี้พูดอย่างนี้รู้เรื่อง คล้ายๆกันเคล้ายๆเราแนะนําคนให้มาสู่กรุงเทพเนี่ยปัญหาว่าเราอยู่ที่ถนนไหนเราอยู่ภาคเหนือเราอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกหรืออยู่ภาคใต้วิธีแนะนํามันมก็ต่างกันถนนที่มาก็ต่างกันแล้จะมาเจอกันที่กรุงเทพคือจะมาพบกันที่ตอนจิตหลุดพ้นผลสภาพจิตของคนเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าพอถึงสัมผัสศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ย มันเหมือนกันเพราะศีลสงบกิเลสอย่างหยาบสมาธิสงบกิเลสอย่างกลางแล้วก็ปัญญาก็สงบกิเลสอย่างละเอียดหมายความว่าสามแรงแข่งขันเนี่ยช่วยกันสงบกิเลสแม้แต่ที่ละเอียดเนี่ยให้หมดไปสิ้นไปต่อไปถ้าบอกสติปัฏฐานสคือการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรม บางตอนก็เป็นสมถะบางตอนก็เป็นวิปัสสนานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่สมถะก่อนแล้วก็พิจารณาไปจนถึงจุดหนึ่งเห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็สัตว์แปลว่ากายสัตว์แปลว่าเวทนาสัตสว์แปลว่าจิตสัตวแปลว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ บ, บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดแต่ต้องเข้าใจนะะว่าในสติปัฏฐานเองก็หมดแล้ว คืรวบรวมกุศลธรรมทั้งมวลไว้ไม่ใช่กุศลนะทั้งกุศลนะอากุศลนะอัพยากิริณะอยู่ที่นั่นหมดเลยอยู่ในตอนนิธรรมานุปัสสนาตติปัฏฐานเนี่ยเราเห็นว่าตัวกายานุปัสสนาเนี่ยเป็นอภัยกฤตเวทนานุปัสสนาก็เป็นอภัยกฤรจิตก็เป็นทั้งได้ทั้งสาอย่างเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกลางกลางธรรมะก็เป็นได้ทั้งสามอย่าง อยกุศลนักุศลนัก ล, กลางกลางเพราะว่าเพราะเจตสิกที่ขึ้นกลุมจิตเนี่ยมันก็มีทั้งสามกลุ่มมาแหละทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆลางวมุ่มาทั้งหมดแต่อย่าไปยึดติดนะมันเป็นปริยายหนึ่งของปัรตรมเทศนาไม่ใช่ว่ายึดติดว่าต้องปฏิบัติตามส ต, ติปัฏฐานเท่า น, นั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้ไอันนี้มันเวอร์มากไปไหนคือ ด, ดูหมินพระพุทธเจ้านะดูหมินก็ทำนะพูดอย่างนั้น อย่าลืมว่อ น, นัตตลกนัสูตรเนี่ยนิพานหมดแล้วนะวันในอ น, นัตตลกนัสูตรก็ได้ก็เหมือนกั น, น, น, น ก, กับในสติปัฏฐานการทำจากอนัตตลสูตรก็เหมือนกันในสติปัฏฐานไปสรุปรวมลงด้วยกันไปถึงหมหาสมุดแล้วก็มีรถเข็มด้วยกันสมะประธานสี่ก็คือความเพียรในการละบาปไม่ใช่ในการป้องกันบาปในการละบาปในการทาเป็นบุญแล้วกงังจิตได้ฟ่องแพร่ ก็บางทีก็เรียกว่าสมาวิยมะในอริมักเรียกว่าสมายกวิยมะแต่พอออกมาข้างนอกเนี่ยจะเรียกว่าสมาประธานจะต้องแยกเดี่ยวออกมาแนะยากเดี่ยวออมาเขาจะไม่ค่อยเรียกว่าสมาวิยมะแต่จะเรียกว่าสมาประธานสและประการต่อไปอิพิบาท4ก็คือฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะเพียนหมันประกอบสิ่งนั้นจิตตะเอาใจใส่เอาใจใส่ฝักใฝในสิ่งเหล่านั้น คืมังสาหมันพิจารณาให้เหตุหาผลในสิ่งนั้นแล้วก็มักมีองค์แปดมักมีองค์แก็คือสมาธิฏิปัญญาเห็นชอบได้แก่เห็นอริยสัจสี่นะสัมมาทั้งกปะความดำริชอบดำริในการออกจากกามดำริในการไม่พยาบามดำริในการไม่ยาายมเยียดเบียนสัมมาวาจาก็เจรจ า, าชอบได้แก่งดเป็นจากการพูดเท็จพูดโสเสียพูดคำหยาบพูดเหลวไหลสมากรรมตะก็งดเป็นจากการฆ่าสัตว์รักฆาตประพฤติในกามสัมมาชีวาก็ งดเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดมาดำรงชีวิตในทางที่ชอบเพิ่งแช้คำสั้นๆนะครับเพราะว่าอาชีพคนพูดยากอคือบางทีมันเป็นสมาชีพของคนหนึ่งจะเป็นวิชาชีพของคนหนึ่งตัวอย่างง่ายๆว่าพระออกบินระบาดเนี่ยเป็นสมาชีพชั้นเยี่ยมนะแต่ต้องมึงที่นักผู้พูดนะอย่าไปะจะ บ, บินฑบาดในต่างประเทศ บางประเทศเด็กเขาไม่นับถือประเด็กเขาโดนจับแต่ขอทานได้รอนจนจัดถ้าชาวบ้านเกิดบินทบาทข้าวก็กลายเป็นผิดอันนี้เห็นไหมว่าเกณฑ์ในการกำหนดผิดถูกเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเสมอไปเพราะงั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าลุกกรพิสูจน์ท้งหลายอริยะสาวกในโลกนี้ละล ะ, ละการเลี้ยงชีตในทางที่ผิดแล้วมาดารงชีตในทางที่ชอบ ประการต่อไปก็คือผลสีนะฮะ อ, อ๋อไม่ใช่มักสีลืมไปมักสีโสดาปฏิมักสกิเลคายมักนาคายมักอาหารต่มักผลสีก็กโสดาปฏิผลในคำสกิเลคามีผลนาคามผลอาหารแต่ผ ล, ลไปสัมพิทาสไปสัมพิทาสีก็ปัญญาแตกฉานในเหตุปัญญาแตกฉานในผลปัญญาแตกฉานในภาษาและปัญญาแตกฉ า, า, านในไววพิปฏิพาน ยานเครื่องกำหนดกำเนิดนะยานเครื่องกำหนดกำเนิดสี่นี่เป็นยานที่ทําให้กําหนดรู้ว่าใครจะไปเกิดในกําเนิดอะไรนะที่จริงก็แนวจูตูปปาตยานนะฮะจปายานที่รู้จักการยุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนะกําเนิดสี่ก็เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกแล้วกเกิดโดยผุดขึ้นเป็นโอปภาติกะ อริยวงสี่นั้นก็ไปเรื่องของความสันโดษในปัจจัยสี่นะฮะคือในใ น, ในเรื่องนุ่งคมอาหารยากแก้ไขไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะและก็ยารักษาโรคเวสารัชยานเวสารัชยานนี่เป็นคุณสมบัติของพระองค์คือพระองค์ทรงมีความองอาจกล้าหาร ไม่ประวันพรั่นพรึงที่จะประกาศพระองค์ในฐานะที่เป็นเป็นโจกหรือเป็นผู้นำในการเอาชนะกิเลสได้แล้วก็ทรงแสดงเห็นว่าถ้าหากวราทำหลอดใดที่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นอันตรายแต่ทำนั้นไม่เป็นอันตรายจริงก็จะไม่ปฏิญาณทำใดที่ก่อเพ่เกิดประโยชน์แก่ผู้ทำตามแล้วไม่เกิดประโยชน์จริงก็จะไม่ปฏิญาณ แล้วอาสจจวะอันใดที่พระองค์ละไม่ได้พระองค์ละได้แล้วปรากฏว่าพระองค์ละไม่ได้เนี่ยก็ก็จะไม่ปฏิญาณแสดงว่าอะไรที่เป็นเหตุให้สิ้นทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติตามถ้าไม่สามารถสิ้นทุกข์จริงก็จะไม่ปฏิญาณเป็นลักษณะของเวสารัชยานแล้วก็องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร น, นะฮะความเพียรห้าประการนี่ก็ ก็กลับมาที่พวกอริยมรรคอแล้วก็สมาธิสมาธิมีองค์หอันนี้ก็คือฌานนะฮะคือคือคือปฐมฌานมีพิตกิจารปีติสุขเอกะกตตาแล้วก็สมาสมาธิที่ประกอบด้วยญาณห้าก็หมายความว่าสมาธิในแนวของคือญาณเนี่ย ยานเนี่ยชีนับห้าเนี่ยยังยังนึกไม่ออกนะว่ามันนับสามกับนับแปดยานสามแล้วก็ยานแปดแล้วก็ในที่ถุก็ทศกัณลยานสิบในยานห้านี่ท่านก็ไม่ด้อธิบายไว้ไม่ทราบประหมายถึงอะไรสมาธิที่ประกอบด้วยยานห้าอิน4 5ีห้าเนี่ยยินทรห้ามันก็ สองชุดนะชุดหนึ่งก็คือตาหูจะมือิ้กายใจตาหูจะมือลิ้นกายใจไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เลืห ม, มายตอนนี้เป็นกุศลนะฮะเป็นกุศลด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพระห้าก็เหมือนกันนะฮะมิตรสาระมียะธาตุห้านะหมายความว่ า, าธาตุที่เป็นเครื่องมือในการนําออกจากความทุกข์แล้วก็วิมุตติยาณะยานห้า มันจะยากลงไปเรื่อยๆนะฮะจะยากลงไปเรื่อยเพราะว่าท่านๆ ท, ท่านไม่ได้บอกไว้แล้วก็ไม่เคยเจอนะฮะไม่เคยเจอ ร, รายละเอียดตรงนี้จะต้องเนี่ยพอพอเห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นก็อยากจะน่าน่ารวบรวมนะฮะน่ารวบรวมแต่ขยายเลยขยายทำทำคล้ายๆกับคล้ายๆกับอังคุตรริกายนะคล้ายๆกับหลักธรรมในในโนโกว่าน แต่มันช่วยในการมองธรรมะให้แตกฉานออกไปทีนี้การการหานี่คงจะคงจะไม่ใช่ง่ายเพราะคาแต่ละคําเนี่ยเช่นเช่นสมมติว่าอะไรอ่ะพวกอ น, นุพิบหารนาถกนธธรรมอะไรพวกนี้ง่ายนะะพวกนี้ปรากฏอยู่แล้วในนักธรรมชั้นเอกชั้นโทนี่เองแล้วก็อริยวาสอาศิกธรรมพวกนี้ไม่ไม่ค่ยากอะไร ใสงเมตตาอาการแห่งจักอันนี้ก็ไม่ยากทุดงธสิบสามพุทธญาณสิบสี่อันนี้ไม่เคยคุ้นยิมุติปริปาจัิยธรรมสิบห้าเรยอนาปนสติสิบกอันนี้ ก, ก, ก็มีอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอภรตะนียธรรมไม่เคยได้ยินนะวิปัสนาสิบแปดเนี่ยก็ไม่ ย, ยากพุทธธรรมสิบปดัจเจกนาญาณสิบห้า เก้านะแล้วก็ยาณวัตถุพวนี้ต้องอยู่ในอภิธรรมคคือสรุปว่าธรรมะเหล่านี้เป็นเป็นการแตกต่างกันโดยชื่อนะฮะแตกต่างก็โดยชื่อแต่จริงๆแล้วก็คือเนี่ยคือพวกสารธรรมธรรมหานิสินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทักษณะเนี่ยท่านก็บอกว่ามหาสมาบัติมหาวัชิระญาณสองล้านสี่แสนโกด ทีนี้จะต้องไปตรวจสอบในไวสัมพิธามัคนะฮะกับนิเทศในของแห่งเนี่ยก็น่าจะมีแล้วก็มีอะไรอีกเยอะปัจเวคขณะเทศนาญาณอันเป็นวิสัยแห่งสมันตะปัตฐานะซึ่งมีในยะหาที่สุดไม่ได้ญาณที่เข้าใจว่าอยู่ในในนิเทศ หรืปาริธรรมิธามรักนะไะปสริธรมิธามรักเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในเทศมานิเทศเนี่ยที่จริงโบนี้เป็นภาษาพิบิตรแต่ด้านอธิบายว่าเป็นผลงานของพระษาลิบุตรจะอธิบายเนี่ยเนี่ยม่เยอะมากหรือถ้าเรามองในภาคปริยัติแล้วก็ เ, เห็นเป็นความหลากหลายเป็นความวิจิตรนียเป็นความสวยงามแต่มองในแง่ปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วก็สัมผัสเองนะทีนี้ปฏิบัติแล้วสัมผัสเอง คล้าก็นเนื้อหาของวงธรรมในอภิธรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปฏิบัติก็ะทั่งปฏิบัตนะถือถ้าเราเรียนเราก็ท่องท่องก็จำาแี๋ยวไถามปฏิบัติได้หรือเปล่าละราคะโลภาทโทสะมหาได้ไหมบางทีก็คี้โกรธนะฮะบางทีก็คีโกรธก็มีแล้วก็ท่านอธิบายไว้อนมิระติศอาจารย์อธิบายนะบอกว่า ยานที่ประกาศอัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายผู้หาที่สุดไม่ได้ในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันอันถึงแล้วซึ่งความเจริญเต็มที่แห่งการบำเพ็ญพระบา ร, รมีและการเจริญมัชตลอดการหาที่สุดไม่ได้กระทำพุทธคุณอันบายหน้าต่อมณฑิการให้เป็นวักวักเือให้เป็นกองกองเรื่องหน้าพระฤทัยว่าทำอันหาโทษไม่ได้แน่เหล่านี้มีอยู่ในเรา ทำอาาโทษไม่ได้แม้เหล่านี้มีอยู่ในเราเพระธรรมเหล่านั้นอาจพณักตัการได้โดยมีการแสดงยังเหลืออยู่ที่เดียวไม่อาจพณักตการได้หมดสิน้นพุทธคุณทั้งหมดพระภูมิเอภาคเจ้าก็ไม่อาจพณักตัการตามลำดับบทได้หมดสิน้นวิาีที่เคยรู้จักจเคยเล่าฟังนะว่าเคยทดลองอธิบายมากรกุนาสมาปัฏิญานในไปสัมพิธามะ ตอนนั้นก็ออกสถานสถานีไปที่หนึ่งนอของหนึ่งนนะใช้เวลาอยู่สิบเอ็ดเดือนไม่จบทำยังไงก็ไม่จบเลยเลิกพูดเลยก็าขาดไปไป ด, ดื้อนะเพราะว่าตอบไม่ไหวก็คือมันเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมัน่อมโยงใหญ่ก็เป็นแถว นะธรรมะบางทีเนี่ยถ้าเรามาคิดเนี่ยคิดแต่ต้องมีความเข้าใจและมีความจํานะคิดจําแล้วเข้าใจแล้วจนเห็นธรรมะอยู่ภายในใจเรามันจะโยงกันไปเป็นแถวไปจนจนบางทีรุ่งไม่รู้ตัวนะฮะรุ่ไม่รู้ตัวแต่ว่ามันเจนเสียอย่างนะมันคืออ่อนเพลียร่างกายมันจะอ่อนเพลียมันจะนอนเพราะไม่ได้นอนเลยมันก็ไม่ไหวกันนั่น อย่างที่เจ้าคุณสุเดวสังราชเนี่ยเป็นนักคิดธรรมะองค์หนึ่งสุงเดวสังราชเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยคิดธรรมะเก่งมากเลยเพราะเราถ้าอ่านพระโอาวาทธรรมยายของพระองค์ที่สอนมนากสุเดวสังราชเจ้ากรมหลวงวิทยานนบุรุษว่ากรมหลวงวิทยานนบุญคมมากนะลึกซึ้งมากแล้วเวลาเอาข้อความโคดข้อความสําคัญสำคั ญ, ค ญ, คญออกมาเป็นธรรมานุกรมเนี่ย เล่มใหญ่กว่าของสมเด็จพระเรศฯนะครัเพราะว่าท่านจะเป็นนักนิยามนักขบเจาะและวิเคราะห์นะวิเคราะห์ต่างๆตรงนี้ถ้าเราได้เรียนอภิธรรมใหญ่มานะเรียนมหาคต ย, ยนะเรียนโมคลานะเรียนอะไรๆมาเนี่ยครัชญาอิทธิทั้งหลายเนะี่ยเราจะมองทะลุได้ไปอีกอีกเยอะแลร็สรุปว่าเป็นเป็นเครื่องมือในการ สื่อสารทําความเข้าใจแต่ว่าพูดในที่ทั่วไปไม่ได้พูดเป็นการทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไปเราพูดไม่ได้มันต้อง พ, พูดกันในห้องกรรมฐานพูดกันในชั้นเรียนอภิธรรมถึงจะพูดได้แต่ว่าถ้าจะเอามาเผยแพร่ในที่ทั่วทั่ไปนี่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทําเป็นเครื่องมือนะฮะเป็นเป็นคู่มือเป็นคู่มือแค่แค่ครั้งปริยัต คลา้ายๆกับทางปริยัตหรือสมานุกรมหรืออะไรต่รางๆนี่เป็นคู่มือในการค้นธรรมะมันจะช่วยส่งเสริมการศรรึกษาได้เยอะแต่ว่าต้องทุ่มเทนะฮะต้องทุ่มเทต้องใช้เวลาคงคว้าเยอะแต่ในั้นขณะเดียวกันในการทํางานอย่างนี้ที่จริงมันสนุกนะมันเหมือนเราอยู่โลกหรือโลกเราไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยมาเคย ทำงานเทียบเคียงพระรมราชวาทของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีหนึ่งหนึ่งอปีสองพันหร้อสิบเ็ดทั้งปีครั้งแรกทำไปแล้วได้สองร้อยกว่าบทแล้วก็สมเด็จเนี่ยตอนนั้นยังเป็นสังราชก็ เ, เอาไปถวายในหลวงดูในหลวงก็ให้นัยยะมาโรลง่โอขีดหัวขีดท้ายมาใหม่ไปเรื่องทำใหม่เลยยกเรื่องใหม่เลย ก็รอบตัวในเต็มไปด้วยปัจบิดกเพราะว่าเครื่องมือในการค้นเนี่ยเรายัางไม่อย่างไม่เต็นนะแล้วก็คอมพิวเตอร์พิวเตอร์อะไรต์อะไรก็ไม่ค่อยมีแนละ้วเราก็ยังเลกไม่เต็มพนี้ที่จริงเวลนี้ปัจจัยบิดตุกเาอยู่ในแผน่นใดแผนด่นบีบคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะเปิดแผ่นเดียวแต่นั้นเองแล้วกดหาคําอะไรต่างๆ ไ, ได้เนี่ยจะจะหาได้เยอะแต่ว่ารายละเอียดนี่จะไม่อยู่ในปัจจัยบิดตก ในพอดีพระเจดไปดุกเรื่องนี้เขาเอาฉบับ ม, มัมกุฎราธิยาไรไปไปลงในสิทดีทำให้เรากดแล้วก็ราหาได้นะหาได้ของที่ก็อยู่ในประสูตร์บางทีก็อยู่ในตอกถารเพราะความนี้ยังมีอีกเยอะนะฮะมาลงมาข้างล่างเนี่ยลงมาเป็นแถวเลยเดินมาถึงจุดหนึ่งในท่านบอกว่า เ, เรื่องบางเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็ไม่อาจมานดิการได้ไหวได้ได้ ได้หวัดไหวนะถึงว่าเมื่อราทีการได้ถึงแต่เอามาพูดมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยของคนที่จะทาความเข้าใจเพราะนั้นก็พระเจ้ารับสั่งว่าแม้พระพุทธเจ้าจะพึงพันนาคุณของพระพุทธเจ้าหากไม่ตัดอย่างอื่นแม้ตลอดกับคนะืเราพระพระพุทธเจ้ายังลึกซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมากเพราะว่าเป็นปัจจตังคือรู้ เห็นด้วยโปรงเองเนะ่ะเป็นธบัตตรงด้วยโปรงเองแล้วก็พัรธนาไปด้วยนะตลอดแล้วมึงกลับมึงกลับนี่เลิกพูดเลยนะไม่รู้เท่าไหร่เลยเพราะว่าเวลาท่านพูดเลยท่านอุกมาว่ากลับจะมันเหมือนกับมีที่หนึ่งกําแพงด้านละร้อยยอดสูงร้อยยอดกว้างยาวลวด้านละร้อยชอดในร้อยปี นะมีคนเอาเม็รฝันประกาศมาโยนลงหนะึ่งเม็ดเนี่ยสมมติมันไม่ละลายไปจนเต็มนะยังไม่ได้กลับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ ม, มายัางนึกยังนึกฝันนะฝันว่าที่จะสร้างศูนย์ส่งเสริมบุษฎ์นาเนี่ยแต่เรามีเป็นศูนย์เป็นทำงานระดมนักวิชาการโดยเฉพาะพวกที่มหาป ร, ริญยาที่สนใจนะแล้วก็แตกฐานมีพื้นฐานดีแล้วจะพดเ ก, กษียณนะ ทำงานเราด้วยกันมาค้นคน้นคว้าศึกษาเรื่องแบบนี้มาศึกษาเรื่องอายุโลกด้วยกันเอานักธรณีวิทยามาคุยกันเอานักโบราณคดีมาคุยกันอะไรอะมาระดมกันดูสิว่าโลกมันอายุจริงจรือุเท่าไหร่เพราะถ้าเราดูในคัมภีร์พระพุทธศาสนาในศาสนาพราหมณ์ไปใหญ่เลยมันไกลเหลือเกินนะไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เป็นกับเลยนะกับก็จะพึงหมดสิ้นไปในระหว่างกาลนานคุณของรัฐคาคตทั้งหลายก็ไม่หมดสิ้น แล้วก็ตรัสอีกว่าใครๆไม่พึงนำนามนับนามของพระมเ ah หสีเจ้าพ ร, พ, พระพุทธเจ้านะเจ้ามเ ah หสีเจ้าโดยพระคุณที่มีอยู่พึงยกพระนามขึ้นโดยพระคุณแม่ตั้งพันพระนามเพราะอะไรพระนามเดียวก็อธิบายไม่ไหวแนละ้วเช่นนี้เช่ น, นสมมติเราอธิบายว่ า, าระหังสมาสมุทโทอะรหังบทเดียนระหังบทเดียนโอเทศ น, นานนะระหังบทเดียน ถาสัมมาทัพุพโธอย่างนี้พระพุทธคุณเนี่ยสมมติว่าที่มาใครบรรยายที่ถึกสวอทำนิเวศวันเสาร์นี่พระพุทธคุณเนี่ยไม่จบอภิบายจะไม่จบยิ่งไปยิ่งกว้างยิ่งลึกโยงกันไปเป็นแถวเลยอภิบายเป็นเทพเป็นชุดช <c oughs> ุดนเพราะงั้นเรื่องเหล่า น, นี้เป็นสุดหยั่งนะฮะเป็นกรมพิโรคือลึกซึ้งยากกว่าการอย่างแต่ว่า นำท่านผู้ฟังมาดูเป็นเป็นเล่าความไปว่าตรงเนี้ยข้อความตัวเนี้ยพระปฐมาอาจารย์ท่านอธิบายขยายความไว้อย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษานะในขณะเดียวกันก็สร้างแรงกระตุ้นนะฮะสร้างแรงกระตุ้นให้เอ๊ะมันน่าจะทําเป็นเล่ม น, น่าจะทําเป็นเล่มออกมาเป็นรูปของธรรมานุกรมธรรมคล้ายๆกับที่เจ้าคุณตอนนี้ก็เรียกเป็นคุงกุณาพรแล้วที่ท่านทําไว้นะฮะเราจะเห็นว่าถ้าทําเราจะมากกว่าที่ท่านทําเยอะเลย เพราะว่ า, วาองค์ธรรมมันเยอะมากแล้วจานวนเนี่ยจํานวนจะสูงที่จะให้คุณทําเนี่ยจํานวนไม่สูงแล้วก็ชนมาองค์ธรรมทั่วไปให้เรียนแล้วทำตรีเทวเอกเนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสิ่งนั้นทุกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่ทานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี